เป็นผู้ประมาทสำคัญว่าไม่ประมาทก็ตั้งนับปีอายุว่าเข้าวัดมาได้ตั้งหลายๆสิบปีผู้ตอบรับว่าถูกแล้วเข้าวัดมาได้มากปีแต่ใจยังไม่รู้ความจริงและประกอบด้วยควา ม, รมาประมาทปราศจากสติสัมปชัญญะไม่ได้ใส่ใจในการพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายว่ามีความเกิดขึ้นแล้วและเสื่อมไปเป็นธรรมดา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 เมื่อมีเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปพึงเป็นอยู่ตลอดร้อยปีเอกหังชีวิตตังเสยโยปัสนโนอุททะพยังความเป็นอยู่ชั่ววันเดียวของผู้ที่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปประเสริฐกว่า